ต่อไปข้มพันดาท่านพุทธบริสัตย์หลายจงตั้งใจสนับเรื่องราวเพข้อศุภกรรมฐานต่อไป <c oughs> สำหรับการเจริญอสุภกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีมีความประสงค์จะให้บรรดาท่านพุทธบริสัตย์นไหลรเรืี่ยนราคะเจริต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 ในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามมิทฉมาสมพุทธเจ้ยายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงสั่งสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทและทรงแสดงวัฒธรรมเทศนาให้บรรลุมรคผลมากมายแต่ว่าคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ก็คล้ายคลึงกัน มีอารมณ์เสมอกันกล่าวคือมีจริตหประการเหมือนกันหมดย่อมมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันรู้จักรักรู้จักเกลียดรู้จักโลกรู้จักโกรธรู้จักหลงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่รมพุ่งซ่างก็รู้จักฉะนั้นขอท่านหลายที่รับฟังฟังแล้วก็จงใข่ครวรตาม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 ฟังเรื่องราวนี้ต่อไปในสมัยนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งมีนามว่านาสิริมาคำว่าสิฎิมาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นผู้มีมิ่งขวัญหรือว่าเป็นที่ชอบใจขมันดาคนทั้งหลายนาสิริมานี้มีอาชีพอย่างหนึ่งคือเป็นหญิงโสเภณี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 เห็นเขาเป็นพระอราหันต์กันก็อยากจะเป็นพระอราหันต์บ้างแต่ได้ว่าเมื่อท่านเป็นพระบทใหม่ในวันหนึ่งไปบิณฑบาตนางศิริมาวันนั้นปรากฏว่านางศิริมาป่วยทั้งทั้งที่ป่วยและเป็นหญิงโสเภณี <c oughs> แต่นางิดิมานี้ตามประวัติทั้งกล่าวว่าเป็นน้องสาวของหมออาชีวกุมรารพัฒถ้าว่าทั้งกันโดยตระกูลแล้วนางก็มีตระกูลไม่ต่ำแต่ถ้าว่าเป็นกฎของกรรมที่ไปกล่าวตีเตียนนางพิสุนีซึ่งเป็นพระรหันต์วัยหญิงทศสยาคนไหนนะ บ่นน้ำหมากให้ละ อ, องน้ำหมากมาเพื่อนเรามาเพื่อนพากของเราแต่ความจริงละอองน้ำหมากมาเพื่อนนิดเดียวนี่ถอยหลังไปกี่ชาติก็ไม่ทราบกรรมอันนั้นเป็นปัจจัยบันดาลให้นางเกิดมาในชาติหลังต้องไปหญิงโสเภณีนี่เพราะไปด่านนางพิษุนีเข้าเมื่อนางเป็นพิสุสนีมีก็เขาโทษนางเป็นโสเภณี แล้วก็มีรูปงามทาั้งที่นางป่วยไข้ไม่สบายในวันนั้นเมื่อพระบทใหม่ไปบิณฑบาตกับพระเก่านางถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีแต่ว่านางก็มีคนรับใช้เพราะร่ำรวยมากยังให้คนรับใช้ถือภาชนะอาหารมาถวายแก่พระที่ไปบิณฑบาตนางยืนใส่บาทด้วยการทรงตัวไม่สู้จะดีนัก <c oughs> ได้ว่าขึ้นชื่อว่าคนสวยถึงม้ว่าจะป่วยก็ยังสวยนั่นแหละทั้งเมื่อพระใหม่องค์นั้นเห็นนางสิฎิมาเข้าก็เกิดความรักกลับมาวัดไม่เป็นอาหารไม่เปลนนอนข้าวปลาไม่กินค้นคิดจะถึงแต่นางสิฎิมาปล่อยให้ข้าวบดอยู่ในบาตรมนก็ต้องแห้ง ความจริงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทราบก็อยู่ในสนักของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยว่าอะไรล่อยเฉยๆทาเสมือนไม่รู้ต่อมาเวลาผ่านไปไปสองสามวันนางสิฎิมาวันนั้นที่พระเห็นเธอป่วยมากแล้ว <c oughs> ก็ปรากฏว่านางสิฎิมาตาย พระเจ้าพิมีสถานยินกราบทูลให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาทราบว่าพันเตภคะวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพูเทาาี่ยวภาเวลานี้นางศริมาตายเสียแล้วองค์สมเด็จพระบทิษแก้วจะให้ทําเป็นประการใดสมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาจึงทรงตัดว่าเก็บศพนางศิริมาไว้ก่อน ปล่อยไว้ตามสภาพปกติคือว่าจะอยาทําการป้องกันไม่ให้เหน่าปล่อยไปตามธรรมดาความจริงพี่ชายถ้าเป็นหมอใหญ่อาจจะป้องกันน้องสาวไม่ให้เหน่าก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตร ย, ย์ยินสั่งไปอย่างนั้น <c oughs> ขั้นเมืวนนาที่มาเน่าขึ้นอืดน้าเหลืองไหลตาปริ้นลิ้นจุก <c oughs> น้ำเหลืองเดือดปุดปุดออกทาปากพระเจ้าพิาามิสารก็กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบสมเด็จพระพุทธมีพระภ่าเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมิาสารนําศพนางิริมาไปที่พลานหลวงวางไว้บนเตียงโดยไม่มีอะไรปิดแล้วสมเด็จพระธรรมส า, ามิจึงได้มีพระพุทธบัญชาแตากแพร่น อ, อนุน์ ว่านันทะดูก่อนอ น, นันนน์วันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิฎิมาเธอจงประกาศพระว่าใครจะไปกตถาคตปางก็ไปได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัก์สันดาสมเสด็จพระทุกองค์ก็ไปสำหรับพระองค์ที่หลงรักนางสิริมา ด, ดูนั้นดีใจมาก พระที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพาไปเ ห, ห็นนาวสิริ ม, มาไอข้าวที่แห้งอยู่ในบาดก็ลุกขล้างบาดเช็ดบาดมีกำลังบังชาดีผมสบงไอหนุ่งสบงทรงจีวรด้วยดีแล้วก็ตามองค์สมเด็จพระบัณิตแนวไปข้ามไปถึงบรรลันหลวงบรรดาประชาช น, นหลายทราบว่าพระมหากษัตริย์จ ะ, สะเสด็จ และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พร้อมพระเดชสวกทั้งหมดจะไปที่นั่นยานีพากันมาอออยู่ที่พระรานหลวงเมื่อมาอออยู่ที่นั่นแล้วเข้าไปถึงองค์สมเด็จพระประทีตแก้วเจเนสัมมีรับสั่งพระพุทธมัญชาให้พระเจ้าพิมีสารประกาศจักรบรรดาคนทั้งหลายว่าใครต้องการนางศริมาบ้าง ถ้าใครต้องการก็จะยกให้แต่ว่าเอาเงินมาหนึ่งพันหนึ่งพันกหาบณนะในครั้ง ก, ก่อนนั่นเช่าไปหนึ่งคืนต้องเสียพันกหาบณะนะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเช่ายกให้เลยแต่ว่าเอาเงินกหาบณ ะ, ะเท่านั้นคนทั้งสนามหลงเงียบ จะมีใครก็ต้องการนั้นเน่าอืดแบบนั้นไม่เอืดยามเดียวน้ําเหลืองไหลตาเปิ้นลิ้นจกเมื่อบุคคลทั้งหลายเงียบไม่มีใครแสดงความต้องการสมเด็จพระวิชิตมายก็ทรงตัดต่อไปให้พระเจ้าพิมพนสารประกาศว่าใครต้องการสิริมาบ้างเราให้จะยกให้เปล่าเปล่าให้เป็นสมบัติของท่านคนทุกคนก็ไม่มีใครต้องการ ต่อมาองค์สมเด็จพระพิชิตธมานยได้ทรง ต, ตัดิวาระหนึ่งให้พระเจ้าพิมพิสารกกาประกาศว่าใครต้องการนางสิธิมาบ้างจะยกศพของนางให้เป็นสมบัติของท่านและมอบเลินให้พันกระหาบปณะนะก็ไม่มีใครต้องการอีกตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงอสุ ป, ปสัญญา ให้แก่บรรดาพระและบรรดาประชาชนทั้งหลายทราบว่าขึ้นชื่อว่าขันห้าที่ประกอบวัตทุธาตุสี่แบ่งเป็นอาการสามทิบสองมีผมขนเล็บปันนําเมื่อตับไตใส้ปอดเป็นต้นที่เดยกว่าอยู่ในร่างกายของคนนี้มันไม่มีอะไรที่รังย่างยืน และก็ไม่เป็นของถาวรร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันรวมเข้ามาเป็นเซลล์ากายของธาตุสี่คือมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วแบ่งออกไปแบ่งการสามสิบสองคือแบ่งเป็นสามสิบสองชิ้นด้วยกันภายในประกอบขึ้นมาเป็นกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความสวยสดงดงาม ถึงแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่งามเมื่อตายไปแล้วก็หาความงามอะไรไม่ได้ทางนี้พ่อะไรดูตัวอย่างนางสิริมาเป็นสําคัญองค์สมเด็จพระพุทธวันทรงชี้ให้เห็นว่าดูตัวอย่างนางสิริมานี่สมัยเมื่อนางสิริมายังมีชีวิตอยู่เธอ เป็นที่รักข้ามบรรดาประชาชนทัน้งหลายเพราะสายมองผิวกายเป็นสําคัญมองสุดทรงเป็นสําคัญเวลานั้นร่างกายยังสมบูรณ์บริบูบรณ์ไม่ไดธาตุสี่เพว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเนียประชุมพร้อมกันธาตุดินเมื่อทรงจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธาตุน้ําเป็นเครื่องประคับประคอง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 สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดในร่างกายนั่นก็คือจิตหรือว่าทิศสมาดกายที่สิงอยู่ในร่างกายก็นาำสิริมาออกไปจากร่างเสร็จแล้วหมดผู้ควบคุมธาตุสี่นี้จะทรงอยู่ได้ดีก็ใช้ผู้ควบคุมคือจิตเวลานี้จิตก็นาำสิเดมาเคลือนออกจากร่างเมื่อธาตุสี่ไม่มีผู้ควบคุม ธาตแรกที่สุดที่ต้องสลายไปนั่นก็คือธาตุลมเมื่อธาตุลมหมดสิ้นลมปราณแล้วกายก็หมดการเคลื่อนไหวต่อมาธาตุไปก็ดับเจเนี่ยว่าเมื่อสิ้นลมปราณแล้วคนเราถ้ตายคนคนดีใส่คนดีเมื่อชีวิตตินซีเพียงทรงอยู่ร่างกายจะมีความอบุ่น เรือธาตุไฟอย่างทรงธาตุน้ํอย่างทรงธาตุลมอย่างทรงธาตุดินก็ทรงเมื่อสิ้นชีวิตติณซีย่านลมอดหมดไปธาตุไฟก็ดับตอนนี้ร่างกายของคนตายถ้าเราจะไปจับมันจะเย็นเฉียบเมื่อธาตุไฟหมดไป่านลมหมดไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้าไม่มีธาตุไฟประคับประคองดินน้าก็ละลายดิน สิ่งที่เราเห็นอยู่เวลานี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้ น, รนทรงกลินเหมือนทุ่งตะกอนกระจรไปสิ่งทีงหลายหลายเหล่านี้ที่จัดวเป็นเครื่องโซโรครกไม่ได้มาจากไหนไม่ใช่มาใหม่เมื่อคนตายแล้วคือเป็นของเก่าของนางสิฎิมาที่มีอยู่ในร่างกาย เมื่อชีวิตตินสี่ยางทรงอยู่นั้นอวัยวะต่างๆยังทำงานยังปกปิดไว้ธาตุทั้งสี่ยังไปรับเบอร์คองยังสามมาขีกันเวลานี้ธาตุลมและธาตุไฟสลายไปแล้วธาตุน้ำก็ละลายดินดินทนไม่ไหวก็ละลายตัวอันดับแรกก็อ่อนตัวลงทีละน้อยละน้อยจนทั้งทงละลาย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 ว่ามันเป็นของสวยสดเรงามเป็นของมีความจรั ง, ย, งยั่งยืนที่ตลอดการตลอดสมัยเนื้อแท้จริงๆรูปกายของคนดูตัวอย่างนางศรีมาเป็นหญิงที่มีค่าที่สุดในสมัยนั้นมีรายได้คืนละหนึ่งพันกะหาวนะเท่ากับสี่พันบาทแต่เหลี๋ยวนี้ก็เห็นที่เป็นราคาแสนบาทต่อหนึ่งคืน แต่เวลานี้ความปรารถนาในการชุ่มชื่นและต้องการในนางสิริมาสําหรับกฎบุคคลใดไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารมปราณสิ้นไปธาตุไฟหายไปจิตใจที่สิ่ยงสถิตในร่างกายของนางสิริมาก็เคลื่อนไปแล้วตามกฎของกรรมแต่ตามส่วนตามพระบาลีส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่านางสิริมานี่เป็น ถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเพณีแต่เธอก็เป็นประโสดาบันพราะนนั้นหลายถ้าฟังตรงนี้แนละ้วก็ลองคิดดูนะว่าหญิงโสเพณีนี่จะเป็นประโสดาบันได้ยังไงอย่าลืมว่าระโสดาบันนี่มีความมั่นคงคือเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆรเคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆ์จริง มีสินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกนึกอยู่เสมอว่าเราจะตายมี่กำลังใจเขาบรรนางเขามาโสดาบันมีเท่านี้เจยาว่ากันไปทีก็ระโสดาบันมีความมั่นในพระพุทธเจ้ามีความมั่นในบระธรรมมีความมั่นในประสงค์มีสินห้าไปสมุดเฉดคําว่าสมุดเฉดเนี่ยมีความมั่นคงในจิตแท้ ถ้าโสดาบันยังมีการแต่งงานยังมีลูกยังมีผัวยังมีเมียยังมีสมีพัญญาถ้าโซดาบันยังมีความอยากรวยถ้าโซดาบันยังมีความโกรธถ้าโซดาบันก็ยังมีความหลงแต่ถ้าว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีในขออยู่ในขอบเกตของศีลถ้าเราจะคิดว่าหญิงโสเพณีเป็นเป็นโซดาบันไม่ได้มันก็ผิด ถ้าเขาเป็นในการสุจริตการเช่าเข้าไปเขาเขาไม่ได้คดไม่ได้โกงเพระตกลงราคาซึ่งกันและกันสินห้าของเขาก็ไม่มีการจะขาดเขาไม่ได้ไปฆ่าใครเขาไม่ได้ไปขโมยใครได้หลอกลวงใครเขาไม่ได้ไปยแย่งสามีของใครเขาถือว่าเขาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งชั่วคราว เขาไม่ได้โกโหกหมดเท็ดว่าเขาไม่ได้หญิงไปไม่ได้เป็นหญิงโสเภณีเขาไม่ได้ดื่มสุรามีไรเราจะเอาคําว่าเสียตรงไหนมากล่าวกับหญิงโสเพณีถ้าปฏิบัติในความบริสุทธิ์ <c oughs> เป็นอันว่าบรรนางสิริมาเทากมีลักษณะอยู่ในเกณฑ์นี้องค์สมเด็จพระจินทร์ีอยู่ในทรงรับรองว่านางเป็นประสูตดาบันแล้วได้ว่าเวลานี้ค่าของนางไม่มี เมื่อ ก, ก่อนนี้ยกให้เป็นหนึ่งคืนเสียเพีงหนึ่งพันกหาวันะเวลานี้ยกให้เป็นสมบัติเลยเอาพันกหาวันะก็ไม่คือไม่มีคนอยากได้ยกใหบ้บเปล่าก็ไม่ต้องการยกให้แล้วแถมเงินอีกพันกหาวันะก็ไม่มีใครปรารถนาสมเด็จพระบรมาศาสดา จ, จึงบีว่าร่างกายของนางซิริ ม, มา์กูดี ร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนทุกคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกก็ดีมีสภาพเหมือนกันเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความทุกข์ทรมายความเสื่อมโทรมได ต, ตามมาและในที่สุดก็พังอย่างนี้และความไม่สะอาดความสปกปรกเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในร่างกายเป็นปกติ แต่ว่าสมีจิตบังคับร่างกายอาวัยวะภายในร่างกายทำงานทุกอย่างถ้าวานจึงปิดบังไว้ถ้าปราศจากจิตวิญญาณมาไรความสกรปรกทั้งหลายโสโครกทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏขึ้ น, นตนและองค์สมเด็จพระทศพลยคนได้ตรัสว่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูนาสิธิมาเป็นตัวอย่าง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 พระองค์ที่รักนางสิฎิมาก็สลดใจเพราะโอนหนอเราเห็นนางสิฎรมาสวยสดงามก็ใคร่ใคร่แต่เวลานี้นางสิฎิมาเป็นมีรูปรา่างหนา้ารังเกียจที่สุดและไม่เป็นจุดแห่งความปรารถนาของเราเลยเมื่อพระองค์นั้นพิจารณาไปตามกระแสพรวัฏธรรมเทศสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกถึงร่างกายขอาวนาศิริมานึกถึงภาพข้านาศิริมาที่ยังมีชีวิตและมาพิจารณาดูนาศิริมาขนาดนี้ต่างกันมากแกเสวะสัธรรมเทศนาขององสมเด็จพระพูมีพระภาคที่ตรงทุกอย่างเมื่อข้านั้นเกิดศรัทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปว่าพิขเว ด, ดูก่อนพิสุทไร ร่างกายของเราคนดีร่างกายขเขาของคนอื่นดีนอกจากจะว่ามันจะสกปรกแล้วมันก็ไม่มีสภาวะเป็นเราเป็นของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นกฎธรรมดา ย, ย่างหนึ่งที่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในด้านกลาง มีการแตกแป็นหลายในทีสุดที่เรียกกันว่าเมื่อมีเกิดกันแ ล, แล้วเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้และก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่สิ่งที่รักอยู่ก็ต้องพัดพรา จ, จากกันไป ทั้งหลายที่นาสิฎมาหามันได้จงกระทั่งมีตำแหน่งคล้ายมาหาเศรษฐีแต่ได้ว่าเป็นเวลานี้นาสิฎมาไม่มีสิทธิปกป้องปกครองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่ร่างกายเป็นที่รักของนาสิฎมายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏว่านาสิฎมานำไปได้ขอบันดาลพี่สสมทั้งหลายจงอย่าเมาในกายของตน จงอย่าเมาในกายข อ, ของคนอื่นคือจงอย่าประถนาตนจงมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นแต่เพียงเพียงรือนร่างที่อาศัยโชคราวในที่สุดสภาวะร่างกายของเราก็จะเหมือนนางเสียมาแม้แต่ร่างกายของมก อ, อ, อื่นคนอื่นที่ยืนล้อมอยู่นี่ทั้งหมดก็จะต้องมีความปรากฏเช่นเดียวกัน ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายทั้งหมดนี้นั้นจงอย่าสนใจในร่างกายของเราด้วยอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยแล้วก็อย่าสนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นสุขไม่ได้เป็นสมบัติอันจีรังยั่งยืนอะไรของเราไม่ช้าเราก็จากไปถ้าจิตใจของเรายั ง, ลงหลงไหลไฝฝันอยู่ในร่างกายเราก็ดี ในร่างกายเขาบอกค น, อ, กนาาอื่นก็ดีในวัตถุวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นใดก็ดีในที่สุดนี้เราก็จะต้องไม่ทนทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกถ้าเราวางภาระคือไม่ต้องการจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเราก็ดีจิตไม่ติดในร่างกายเขาวอกคนอื่นก็ดี ไม่ติดอยูงง่ในวัตถุ่านใดใดอื่นก็ดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกติก็มีความสุบรกและในที่สุดเมื่ถึงเวลาสลายตัวก็ต้องปรากฏกับสภาวะเป็ญญ น, นอย่สาง น, น, น, น, นี้ข้านระองค์สมเด็จไปชินสีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเทศจจบความจริงเทศมากกว่านี้พระองค์นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสงสุดในพระพุทธศาสนา รวมทั้งคนที่มาห้อมร้อมดูองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีสภาพเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันเป็นจำนวนมากนี่แหละวรนดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเรื่องการพิจารณาศพเรื่องศุภสัญญาสําหรับในวันนี้นําบุคคลตัวอย่างมาเล่าโศกันฟัง ก็การปฏิบัตินี้ต้องอาศัยเรียนแบบถ้าเราปฏิบัติโดยการไม่ลอกแบบมันก็เอาดีอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านนนั้หลายฟังไปแล้วก็คิดไปพิจารณาไปเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนมันมีแต่ความสุขสงบโสมมหะความดีอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะบางส่วนที่มันหลัง ออคือว่าส่วนบางส่วนที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายชิโนจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเสลต้นลายเป็นตน้นมันอยู่ในร่างกายของคนที่เรารักถ้าเรามีความรักคนประเภทนี้ก็ชื่อว่าเรารักถุงอุจาระเคลื่อนที่นั่นเองอรบรรดาท่านหลายสําหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติวัติเพียงเท่า น, นี้เพราะเวลาหมดแล้ว ต่อท่านี้ไปเขาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑแปลจงพากันดำรงอริยาบทตามอัิยาสัยใจใช้คำภาวนาและพิจารณาอย่างใดก็ได้ตามอัิยาสัยของท่านจริงกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นการที่สงควรแก่เวลาสวัสดี